เราจาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี่มาถึงหน้าสองร้อยต้าโพชนวะนว่าคิทามบุตที่สิบจบแล้วเช่นกันบจบแล้วในการขานะแต่ว่ามันจะเสริมในพี่นายพิโดกนะสมันตานที่หลังนะครับเกี่ยวเรื่องอโพหาริษ น, นะสิงที่เป็นอภโพหาริษ น, นะจบนี้ก็โพชนวะว่าผ่านแล้วก็จะไปไวแล้วนะนะ <c oughs> คุณจะอีกทีไม่หรือาสตร์คำว่าไม่ใช่หรา อ, ออ้นี่นะใครเอาพาพวิญญาณปีกออกมาจะดูตามหน้าห้า้เจ็ดสิบหกครับห้าร้อเจ็ดสิบหกเจ้าที่บายเอาโพหาฤทธิกนะครับ <c oughs> <c oughs> ท่านบอกว่าเมื่อเวลาจวนเจ็คือมันก็จะเที่ยงแล้วาจะนจัด้เที่ยงแล้วนะที่สุดชนาหาในที่ไม่มีนะ แล้วเนะมื่อมีน้ำน้น่งบ้วนปากไม่ได้ให้ขาบว้วนน้ำลายทิ้งไปสองสามก้อนแล้วพึงไปยังที่มีน้ำบ้วนปากเถอะเพราะว่าเศษอาหารมันจะมีในปากใช่ไหมครับถ้าไม่มีน้ำในยอย่างน้อก็ต้องขาบว้วนน้ำลายทิ้งไปก่อนก็ก็เลยนิยมแปลงฟันกันใช่ไหมหลังจากที่ชนอาหารเสร็จนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันมีเศษอาหารติดในปากและเกิดคืนเข้าไปอย่นี้แล้วมันจะเป็นอันบาดได้ หน่อขิงเนี่ยนะที่รับประเคนเก็บไว้เป็นต้นงอกขึ้นเนี่ยงอกขึ้นใช่ไหมมันได้ความเย็นนะมันก็แตออกประมาแล้วไม่มีกิจที่จะต้องรับประเคนใหม่เพราะว่ารับประเคนมาแล้วใช้ได้ไม่มีเกลือจะทำเกลือด้วยน้ําทะเลควรอยู่อั น, นไม่ไม่อยากนะแต่ว่า ร, นนะรับประเค็นก่อนนะน้ำเกลือน้ําเค็มที่พิสูรรับประเค็นไว้การเป็นเกลือหรือเกลยวการเป็นน้ํา น้ำอ้อยสกลายเป็นน้ำอ้อยแข็งหรือน้ำอ้อยแข่นกลายเป็นน้ำอ้อยเหลวการรับประเคีนเดิมนั่นแหละเองใช้ได้อยู่ไอพวกนี้มีแปลส้าพแล้วก็ ม, มีปัญหาหรอกไมนได้ขาดประเคนนะครับการประเคีนยัใช้ได้เหมือนเดิมแต่ได้เป็นหิมะ ก, ก็ดีทุกเหตุก็ดีนะพวกนี้มีแค่เตียงน้ำนะะหถือว่าเป็นน้ำแหละนะใครเคเห็นหิมะมั้งครับเห็นตรงๆนั่นไม่เดูทีวีนะว่าเป็นกล้องเป็นตัวยะะังไง ผมอยู่ในแถบร้อนไม่มีใครใคยไปประเทศน้าที่อหิมะนั่นก็ถือว่าเป็นน้ําแหละนะฉันได้ครับถ้าใครจะฉันแล้วก็นะครับที่บอกว่าที่สุดกวนหรือแกว่งน้ําให้ใสด้วยเมล็ดผลไม้เมล็ผลไม้บาอย่างทําน้ำให้ใสได้นะเมล็ดตุงกลางก็ว่านะครับตัวนี้นะ เป็ น, มนเมล็ผลไม้เฉยซึ่งเก็บรักษาไว้อ่าน้ําที่ควรให้ใสเป็นต้นนั้นเป็นอโพหาริกแล้วคนกับอานม่ก็ควรถือเราจะเอามเมลผลไม้เนี่ยจุดควรใช่ไหมให้น้ำ น, น้ำใสไอ้เม่ผลไม้มันไม่ได้มีรกมิชาอะไรขึ้นมานะครับเพียงเพื่อ น, น้ำใสเฉยๆน้ำก็ยังถือว่าเป็นน้ำเหมือนเดิมไม่ได้ชื่อว่าอะไรนะละคนกับอานม่อะไรนะครับอืออ่ แล้วก็ประสมอาหารฉันได้ไม่เป็นไรอันนี้เขาจะพูดถึงว่าเนี่ยงันะพอมันเล่ผลไม้เราถ็งเวลาอาหวันใช่ไหมแล้วก็มันกวนนะน้ามันก็ไม่ได้การเป็นอาหารด้วยนะมันไม่ได้เป็นสันนิษที่เพราะว่าเก็บเม่ผลไม้นี่มาหลายวันครับเพราะมันมีนอ้มีชาน้ำแล้วก็ดื่มได้ผสมอาหารฉันได้ไม่เปแต่ถ้าบอกว่าเอาผลมางขิดไปกวนเอ่ะพวกมางขิดมันจะมีนอ้มมีชาขึ้นมานะอันนั้นไม่ได้ ควรแต่พ่อในการนี่รับเอาผมมาขุดไปควรก็มีเข้ากองแบบเขาปอกเปลือกหนะ้าแล้วก็ใส่นะในนั้นใะนนั้นใสครับอ <c oughs> อันนี้อันนี้ใส่ใจนะตรงนี้นี่ึครับน้ำในสระบุคลาลีเป็นต้นขุ่นข้นก็ควรครับถึงจะขุ่นจะคล้นก็ควรน ะ, ระนรนะไปกองกันแล้วกันแต่ถ้าว่านะ้ำขุ่นข้นนั้นติดปาหน้ามือไม่ควรตอรเนเราประเพณีก่อนถ้าข้นขนาดว่า ติดปากติดมือนะแสดงว่ามีโคลนดินเหนียวมีอะไรเยอะใช่ไหมครัถ้าไม่ได้ถ้าคุณค้นธรรมดาไม่ถึงกับติดปากติดมือแล้วมันเป็นไงถ้าเราไปแถวแถวบ้านนอกใช่ไหมน้ำาที่มันค้นเหมือนกับน้านมเหมือนครับประการห้วยตามหนองนะในใกล้ใ้ในป่านี่นะครับบางทีหนั่นไม่ได้ใสแจ๋วนี่นะมันบอกคุณนม่นค่ะน้า น, นมเด็กพวกเด็กหรมีคนเข้าไปในป่าก็นเนี่ยไปกรองแล้วก็หลืมได้เลยนะครับอย่างนั้นนะ ถ้าพก็เหมือนกันก็ไม่เป็นอาบะอะไรถึงน้ำเป็นขุ่สีน้ํามนมนั้นนะครับอนนั้นบางทีเป็นสีของไอะไรอะไรนะดินเหนียวที่ตรงนั้นขึ้นนะครับแต่ว่าขุ่นขนานติดปากตือ ม, มือไม่ได้นะอันนั้นต้องประเขย อ, อันนั้นไม่ได้นะอันนั้นก็ถือว่าจะ เ, เป็นอาบะนิแล้วนะครับเพราะนั้นมีดินติดมา่บอกนะว่าขุ่นเราประเขยแล้วจึงบริโภคอ่ะให้เราประเขย ก, ก่อนนะจึงบริโภค ก็มีโพ น, น, นิติกนะน้ำขุข่นก็ในสถานที่ถูกทายในนานทั้งหลายเพิ่งรอบเคถ้าขุ่นขนาด น, นั้นแต่ถ้าบางที่เน่ยอะไรนะ ม, มันก็ใสใช่ไหมเขาจะปล่อยน้ําเข้านานก่อ น, อนใช่ไหมครับเพื่อให้ดินออกใช่ใชไหมนะำี่ปล่อยเข้านานก่อนเนี่ไม่จได้ทายมีดใสนะอันนั้นก็ได้เลยนะกรองสันได้เลยถ้าไม่กลัวเชื้อเรากลัวอะไร อถ้านะหลายลำสู่ลำลำทานเป็นต้นและเต้นแม่น้ำพวนอยู่นี่มันปัญหาคอันนี้หน่อยนะเนี่ยชาลางาสมีบึงชาลาสายไดคือแหล่ง น, นะครับก็มีบึงซึ่งมีต้นกลุ่มเป็นต้นมีน้ำอันดาดาดไปด้วยดอกไม้ที่หล่นจากต้นเป็นบึงเป็นหนองอยู่ในปา่าใช่ไหมเรามีต้นไม้นะ ด, นดอมกม้มันก็หล่นลงม า, มาเต้นะถ้าลบดอกไม้ไม่ปรากฏ ไม่มีกิจที่จะต้องรับประเてนครับดื่มไม่เล ย, เลยแต่ว่าถ้านะ้ํามีน้อยมีน็อของดอกไม้อ น, นั้นปลางก้นนะแต่งว่ามันการเป็อาหารนะั้นนะคือรับประเけてนะครับคือไม่ได้เป็นอาหารไอ้ที่แบบยาวการลิเนานะคือเป็นของนี้ต้องรับประเけてนนะครับเราจะดื่มอันนี้แม้ในนะ้ําที่ปกคลุมด้วยใบไม้สีดาเป็นลานาําธารทั้งหลายมีซอกเขาเป็นต้นก็อนในนี่เหมือนกัน แล้วก็ดูว่ารสชาติของผลไม้ของนัตต อ, อกนุษย์อาหารบางทีก็รู้ดีด้วตอนนั้นน่ะเครื่องกองน้ํามาใหม่ๆครับมันจะมีเครื่องนะที่ใช้อยู่ตรง น, นี้ น, นครับไม่ใหม่มันจะมีนัอตอกนะนัของแรล่ของอะไรนะครับพรามันกองหลายชั้นหลายอย่างเนี้ยมีดูสดไส้กรอกข้างในนะรสชาติของตัว น, นั้นออกเลยนะครับอันนั้นก็ต้องเราประเคนนะราประเคนมาทั้งเครื่องเลยนะ <c oughs> ก็จะไม่ได้รดของน้ำปกตินะครับแต่มันเป็าไส่กองแล้วก็มันติดหินติดแรงออกมานะแล้วกลายเป็นรดนะครับงั้นไม่ได้เราไปเคียนก่อนเคียนมาทั้งเครื่องเลยก็พอส่ชข้อตรงนี้ได้เนาะอ๋ออันนี้เป็อะไรนะครับหมายถึงน้ํานั่นนะที่เครื่องกองที่นะครับอันที่มาใหม่ๆอ่ะหมายถึงเครื่องกองเครื่องนั้นหน้าใหม่ใหม่มันจะมีรขึ้นมาครับแต่พอใช้เราไม่มีรดน้ำนะ แปลว่าไอตัวนั่ันหายกันแล้วเหรอครับน้ำหนูตาสิงใช่ไหมมันมีร่องแปกใช่ไหครับอันนั้ก็น้ำป่าจริงๆก็ไมามารถปกปิดนะครับที่มันเป็กเป็นน้าแหลกใช่ไหมมีน้าแรลกธรรมชาติแล้วก็เนน้าหนูตาสิงนะครับครับ้ิงแทกอย่างไร <c oughs> มีแต่กลิ่นนะอันนี้มีรสข้าวรสปลาสดนะครับถ้ากิดนไม่ใช่ไร <c oughs> อารสนะ อ, อ, อือค <c oughs> รับทีนี้นี้ก่อนนะออของสุเมียงก่อนน้ําแร่นะอะไรนะไอนั่อะไรครับมาลดอะไรบางทีมไม่ค่อยมีรสมีรสนิดนิดนะคร <c oughs> ับรสอะไรก็ไม่รู้กาแฟแต่น้ำหนูตาสี ม, มันมีมันมีเหล็กอยู่นะครับเข้าไปใช้ดูนะ ผูหมอเขียนให้ไปดูว่าเขาเรียกว่าแรล่เหล็กหรือว่าสารเหล็กอะไรผมเรียนชื่อไม่ถึงนะเพราะงั้นหนึ่งต่างสิ่งนะครับมันจะมีนะไอ้ที่มีนัเหมืออะไรนอะนที่มันมีเขาเรียกว่าธาตุเหล็กไม่ใช่ธาตุนะมันมีเหล็กนะ่ะเข้าไปนะครับสารที่เป็นตัวเหล็กนะี้ยมันก็เลยมีนัเหมืออะไรแบบไปอันนี้ okay. คือมันไม่ได้แบบเป็น ก, อก้อนอะไรนะคือมันจะมีเป็นมวลสารออกมาอยู่ข้างในนั่นะครับมันก็เลยเป็นเหนะือ อันนั้นก็ถ้าเป็นน้ำธรรมดาเนะี่ะมันไม่ได้ผมไม่รู้ว่ลดอะไรนะถ้าเป็นรถของพวกนีนกนนน้ก็ต้องรับประเคนนะครับถ้ามันเป็นรถของน้ำธรรมดาเขามันต้องรับประเคนนะต้อง ม, มีเเจนะครับถ้ารดของอะไรเนะียลถหินใช่ไหมติดออกมาลดใบไม้ไมดอกไม้นะครับก็ต้องอั น, นั้นแหละดอกไม้ทั้งหลายมีเเจสอนเป็นก็ดี มีน้ำต้อยที่ขั้วก็ดีมีขั้วและน้ำนมก็ดีเขาใส่ลงในหม้อน้ำเดินดพึงรับประเคนะครับนี่ไงต้องรับประเคนะครับดีกว่านนะม า, มาที่น้ำก่อนคือถ้าเป็นน้ำมานามมันต้องมีกลิ่นนะใช่ไหมมีรอบ ด, ด้วยใช่ไหมครับทั้งกลิ่นแล้วก็รอดด้วยใช่ไหมะนะครับนี่จะเอาหรือว่าถ้ากลิ่นๆๆนะดินแล้วรดดินนี่พูดถึงดอกม้ดอกไม้กับ ใบ ไ, ไม้นะ่ะอันนั้นมีกลิ่นจริงๆใช่ไหมครับท่านไม่ได้พูดถนะึงเอาไปาาา ป, ประมาณนั้นบาดนานต้องรับประถ้าจะไม่ต้องนะครับถ้าจะไม่ต้องนะขนาดคุณค่นขนะ้น่ะถ้าไม่ติดปากติดมือก็ก็ไม่ต้องประเนะคนใช่ไติดปากมือนะครับก็จะไม่ต้องปรเคนะนนะอาจจะก็เป็นผู้มีดอกไม้ผลไม้ครับลดพวงนี้ปากกบครับฟันครับ อันนี้ค่าไปเลยนะอันนี้ไม่ย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าไอ้เกรสรดอกไม้พวงดอกไม้มีเกรสรหรือว่าน้ําหวานของมันใช่ไหมเคลื่อนน้ำต้อที่ควมลงไปในน้ำน้ำต้วกป็นเทมธรรมดาอันนี้ค่านะนนี่เลยนะไอ้ตองไม้สีฟังเลยนะครับยอดหน้าหน้าแย่ที่สองของอหน้าไม้สีฟังที่พิสูจน์ให้ทำเกับพีย่างแล้วะเป็นเกบไว้ ถ้าีพิสุปประสงค์จะดูดรถแห่งไม้สีฟันนั้นการรับประเค้นเดิมมันแหละสมควรอยู่ะอันนี้ก็ว่างเมื่อวานถ้าเราจะจุดลบก็ต้องรับประเค้นใช่ไหมครับ ถ, ถึงจะดูดน้ําเข้าไปไดนนะ้แม้เมื่อรถเข้าไปในลําคอก็เป็นอาบัติแก่พิสุปผู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับออือครับเพรขะนั้นข้อนี้จริงอยู่สิคราบวันนี้เป็นนักจิตการนะครับ ถึงไม่รู้ว่าเป็นอาบัตเหมือนกันนะมันเข้าไปไม่ได้ตั้งใจในเคี้ยวไม้สีฟันตั้งจะจะเคี้ยวจะสีอย่างเดียวนะเคี้ยวไปเคี้ยวมาจะรดเข้าไปในคอเลือดที่ไม่รู้ตัวนะครับต้องอาบัตเหมือนกันถ้าม้าี่แม่แลับประเคนนะมันปวดเทียมต้องาบัตเหมือนกันก็เลยว่าแม้อย่างอื่นเยอะทุกอย่างถ้าฝุ่นเข้ามาใช่ไหมมันปิวมาอย่างแรงแล้วเข้าไปในค อ, อนะครับเราก็ต้องถายออกคืนเข้าไปไม่ได้นี่นะเขาจะไปนามบัตได้ ต่อไปนะครับผู้ดื่มมหาพูด น, AH นะถามว่าบรรดามหาพูดดินน้ำลมไฟที่ในร่างกายครับที่นี้นะมหาพูดคือดินน้ำลมไฟที่ในร่างกายอะไรควรอะไรไม่ควรแก่ว่านมสดสมควรก่อนจะเป็นนมสดแห่งสัตว์ที่มีมังสวิรเป็นกัปปิยะหรือนมสดแห่งสัตว์ที่มีมังสวิรเป็นกัปปิยะก็ะตามทีที่สูดื่มไม่เป็นอาบัต น, นะครับ นมค้กยอย่างนั้ที่ว่ า, า, านะครับนี่เป็นอหบัตินะอันนี้นะครับมันไม่ได้อนุโลมเข้ากับอากาปิยะมังสานะครับอันนี้จะน้ออํามนี่เป็นอะไรวัตถุนี้คือน้ําตาน้ําตาน้ํามือน้ำหมูนะครับน้ำมกกหมูจะหกนะมูดเนี่ยน้ำปัสาวะกรีนะครับอุจล่านะกรีษาอุจร่านะครับสเลดมูลฟันขี้ฟันที่ตาที้หู จากเลือในเหงือกไขในเกิดในร่างกายอันนี้ควรทุกอย่างนะครับไม่ถือว่าเป็นอักเกปียะบางสารไม่ใช่นิ้งอะพวกนี้มีแต่นิ้งมีแต่ประโยชน์ใช่มที่ทำว่าไม่ได้นะครับแต่พวกนี้มันเป็นอะไรแต่ในร่างกายเราท่นไหนเขาเป็นอะแต่ถ้าว่าเป็นก้อนเป็นอะไรนะปฐวีท่าหรืแน่นอย่างนี้นะคงท่านอิทิการไม่ได้ลนะครับอิทธิการนอกจากว่าเป็นยาบางอย่างเป็นยาใช่ไหม อาญาปัญหาวิกการนะอุจจาระเสียบสวาเนี่ยพูดเป็นน้ำมันมีปัญหานะครับแต่ถ้าพูดเป็นเนื้อต้องระวังนะถ้ามเป็นนี้นะครับอย่างนั้นไม่ได้เป็นก้อนมาไม่เลยนะอันนั้นในวิกกาไม่ได้นะนอกจากบางอย่างที่เป็นยานะเกิขี้ฟันแต่ขี้ฟัน ม, มุขผมไม่ได้เป็นก้อนในขนาดนั้นใช่ไหมมึงอมึงอาม่ละเอียดนะอันนั้นถ้าว่ามันเป็นอะไระครับ ไม่อยู่น้ำตากดเข้าไปในคอก็ไม่เป็นไรนะคล้ายกับอาร์มีละเอียด น, นะครับอันนี้อันนี้รับคนทุกอย่างแต่บรรดาสิ่งเหล่านี้สิ่งใดเคลื่อนจากแหล่งของมันที่วางมาเนี่ยนะแล้วตกลงในบาตก็ดีที่มือก็ดีสิ่งนั้นก็รับประเคเพราะมันฐานช่วงใช่ยอืมที่ว่ามานวางเงือลงจากหน้าผาโยงไปนในบาต น, นะครับหรือในมืออันนี้ขาประเคนแล้ว สิ่งที่ยังติดอยู่ในอวัยวะเป็นอัลลภเพนแล้วแท้นะครับไม่เป็นไรเมื่อพิสูจน์ฉันเข้าปายากร้เหงื่อที่ติดตามนิ้วมือแล้วติดอยู่ที่เข้าปลายาด <c oughs> นี่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้เคลื่อนไหนนะหรือว่าเมื่อพิสูจน์เที่ยวปินาบาบเหงื่อไหลจากมือถึงขอบปากบาด <c oughs> ลงถึงก้นบาดมาไหลายเนื่องใช่ไหมแต่แต่มือไหลบาดลงไปในบาด ในบาสนี้ไม่มีกิจที่จะต้องรับผิดเพราะถือว่านี่เหมือกันนะครับนี่เสนในมหาผู้ที่เผาแล้วไม่มีคําว่าส่วนชื่อว่าไม่ควรบถ้ามหาผู้ที่เผาแล้วได้ทาง น, นั้นนะแต่ที่เผาไม่ดีคือไม่ไม่สนิทไม่ควรนะครับก็วิสุท์จะบทแม้กระดูกมนุษย์ที่เผาดีแล้วให้เป็นผงแล้วโรยลงในของลิ้มควรอยุดนะครับนี่ได้ แม้กระดุกมันรุ่นน ะ, อะเอาไปเผาไฟแบบไม้สนิทนี่มันเป็นอะไรนครับนี่ก็แค่นี้นะคะนรับนี่อันนี้มันรุ่นนยะ <c oughs> มันรุ่ไปหถ้าบอกถ้าไหม้ไหม้สนิทแล้วนะไม่เป็นไรนะครับที่ชื่อไม่ควไม่มีนะไอ้ท<อ>ี<อ>่ว่า กระดูกมนุษย์ที่ไม่ทาแต่มไม่เผาละเอีย็แล้วคื่นไปก็ไม่ควรเนาะโอ้น่าได้ทำเต็มฉันก็เป็นไงถึงเป็นของมนุษย์นี่แหละแต่เขาไม่เผาก็ไม่เผาคือถ้ามันไม่ได้ไห้สนิทนะเข้าไปเผาจะไหม้เช่กระดูกคนในป่าช้าเห็นไหมเผาซะไหม้เลยงั้นก็ไปบดนะคะชอบกินสุดไปบดแล้วก็มาเข้าเครื่องยางนี่นะเดี๋ยในของลิ้มนะไม่ใช่เครื่องยาในของลิ้มเน่ยของฉันเลย ควรอยู่ครับได้นะถ้ากล้าพิยิตกินกระถึกแต่ต้องแบบเผาอย่างม่แล้วก็บดให้ละเอียดครับเป็นอย่างนั้นไปเลยนะถ้าเป็นคชิ้นไม่นะ้ไม่ได้ครับไม่ได้แต่เขาในปัญหาผู้ที่เผาแล้วเนี่ยเ้าจะเอาเขาหมุนก่ะนมีเลือดเนื้อกระดูกถ้ายกตัวอย่างมาแค่กระดูกเขาจะนี้นะเพียงอีกไม่ได้พูดถึงนะครับเออเขาอาใช่ใช่ใชใช่เขาเผาหมุนแล้วนะ ใช่เป็นเนื <Like> ้อเป็นอะไรคือยังไม่หมดนะใช่ใช่ใช่ถูกนะถ้าโยนไปหนถูกนะถ้าเนืไม่ได้จากยายามบำนาเนื้อมันนุ่มบอก้เนื้อมนุ่มเป็นเผาใหม่นะถึงยังไม่ได้ไม่ได้นะครับเมื่อก่อนมีโยนข้ออะไรนะยาถวายขวดหนึ่งแล้วมันก็มีดีหมีเข้าเข้าผสมดีหมีนั่นเป็นยาของจี เอ้กเอ็เลยกระสงสัยเอ้ได้หรือไม่ได้ว่าดีพ่อมีน่ะถ้าเป็นเนื้อมันเป็นอัลกัปิยะมังสา ة, ใช่ไหมครับเนื้อต้องห้าสิบอย่างมีอย่างนี้นะแต่นี้ดีเขาไม่ได้พูดถึงครับในะที่นั้นนะท่านพูแต่เลือดเนื้อนะครับแล้วก็อะไรเลือดเนื้อแล้วก็อะไรจำได้แค่นี้ที่ไม่ได้ที่เป็นอัลกปปิยะ น, นะครับแต่ดีนี่ไม่ได้พูดถึงนะในที่นั้นนะ เนี่ยแปลว่าตัดไปนครับไหนมีพูดถึงมั้ยเดี๋ยวคขนาดนี้ก่อนใครพอจําได้นอกจากเลือดเนื้อแล้วก็อะไรของกัปตีย่ามังสาที่ฉันไม่ได้มันคนมันอันนี้มันค่อนจะเพราะเปลวมันจะพราะของมนุษย์เท่ถ้าเปลวมันของกัปตีย่ามังสาหอื่นี่ก็ควรใช้ได้เห็นไหมครับนี่นะร้อยเจ็ดสิบสามนักข่าวทีมา อันนี้นี่เจออ่ะนะเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีเลือดก็ดีหนังก็ดีขนก็ดีนะครับมีแค่ น, นี้นะเนื้อเนื้ อ, อกระดูกเลือดหนังขนนะครับแห่งสัตว์สิบชนิดมีมนุษย์เป็นต้นเหลา่านี้ไม่ควรทั้งหมดด้วยประการชนี้ไม่ได้พูดถึงอะไรตับหรือว่าดีอะไรพวกนี้อย <c oughs> ดีไม่ได้พูดถึงนะครับ <c oughs> นี่แหละเพอเจ มันจะส่งข้อกับเนื้อได้ถ้าเป็นก้อนเป็นเนื้อนะแต่ถ้าเป็นน้ำดีแปลอะไรนี้เช่ไหมอครับ ไ, ไม่ได้มีนะบ า, นางรูปท่านก็เข้าใจว่าได้ไม่มีถ้าบอกแทนเนี่ยเนื้อกระดูกเลือดหนังขนเนี่ยไม่มีดีเลยแต่ว่าเขาเลือดใช่ไหครับแต่ดีเป็นอยาหนึ่งใช่ไหมไอ้ดีมันจะเป็นัไงเขียๆครับ น, นั่นนะ ผมขมน น, น, นนอะไรครับก็ไม่มียงความจริงบางรุปถ้าไม่สงสัยก็ฉันแตนะครัั่นนะฉันดี <c oughs> <c oughs> พอเวลาเข้าผสมก็ต้องเนะี่ยเป็นน้ำแต่อะไรอ้อผสมมันก็มีแต่น้ำน้ำยานรอย่างนะีนนะครับจำไม่ได้อยู่หน้าได้ประโยคแรกที่เจ็ดนะครับหน้ารนะ้อยเจ็ดสิบี่เกี่ยวกับเนื้อที่กป็นรังกับย่าครับ ร้อเจ็ดสิบสี่หน้าน so เล่มเจ็ดหน้า1้4เจ็ดสิบสี่ครับจำไว้นะเนื้อกระดูนะครับเลือดเนืองค <Notes out> <PM. S 1> นขาฟ้าเลือดเลือดคนเรือดทาฟ้าใช่ครับอันนี้ไม่ควรไม่ควรของของขอกัปตีย่าบางสาน่ะไม่จะพาะเนื้ออย่างเดียวแม่หลังนี้ก็ไม่ควรครับอี้ก็จบเของเนือจบ